คนนี้เคยฝึกมาแบบไหนเลยนั่งธรรมดาเหลือนั่งธรรมดาเหลนธรรมดาสีดี อ, อย่านั่งให้ผิดธรรมดานะ <c oughs> มพิงจะเริ่มผักนะครับอย่าหาอะไรแปลกๆ <c oughs> หัดอ่านใจตัวเองไปสังเกตดูนะความรู้สึกของเราแต่ละวันยังไม่เคงเหมือนกันแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันเ <c oughs> คยรู้สึกไม่เช้าสดใส สบายๆจะโมโหอเงี้ยบายๆจะสบายใจหมุนเวียนอยู่ทั้งวันให้ขยันดูบ่อยๆถ้าเราดูบ่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแต่ทั้งวันเปลี่ยนเร็วเช้าเช้าคิดขึ้นบ่ายบ่ายมีชมพูอะไรคนบอกว่ามันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนแป๊บๆวันหนึ่งเยอะแยะให้คอยสังเกตใจของเราไปอย่าบังคับนะไม่ชอบบังคับ อย่าไปฝึกบังคับฝึกบังคับใจนิ่งใจ น, นิ่งไม่เกิดสัญญาอะไรความว่าปล่อยให้ใจจิตมันไหลออกไปตา ม, ราาตมาาธรรมชาติอให้มันไหลตามธรรมชาติแต่เราก็ตามรู้นะให้เราค่อยรู้ไม่ใช่คนทั่วๆไปเขาก็ไหลาตามธรรมชาติแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นของเราเนี่ยจิตเราไหลไปเราคอยรู้ทันไม่ห้ามให้เขาไหลไป ความ่าจิตเราเราคุณนะความ่าเขาไหลไปแล้วคุณจะรู้ว่าจิตตอนเนี้ยไหลแต่จิตอนนี้ไหลไปท ไ, ไหนไปดูเรื่อยๆนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าก็เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดฟังแล้วคิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมถ้าเราฟังเราก็ไม่รู้ว่าฟังเรียกหลงฟังคิดไม่รู้ว่าคิดี่เรียกว่าหลงคิดตอนนี้หลงคิดแล้วชัดไหมชัดเห็น ไ, ไหมตื่นรู้จักตื่นยังแค่รู้ทางว่าหลงแล้วเราก็ตื่นขึ้นฉับพัน แต่ตื่ช่วงขณะนะแป๊บเดียวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไปอีกละอยากพูดนะอะไรเกิดขึ้นในใจคอรู้ด้วยอย่าบังคับนะรู้ชอบบังคับไปฝึกมาจากไหนอย่าฝึกบังคับนะฝึกรู้อย่างนี้ครับให้รู้ตามความเป็นจริง คเราเมื่อคอยรู้กายรู้ใจตัวเองนะเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นไม่ได้ทําอะไรหรอกให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยวนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราเมื่อไร่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเรียกว่าความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราก็ดับสักกายทิฏฐิดับเรียกว่าพระโสดาบันส <im> ักกายทิฏ so ฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราตัวอีกแล้วนี่ไปคิดแล้วรู้ไหม ให้หัดรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาแว็บหนึ่งแวบ็บหนึ่งไปดูเข้าลรื่ตัวเองแล้วนี่ไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนะให้หัดรู้เรรู้ของเราเองนะไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะต่อไปนี้ใจของเราวิ่งไปดูรู้ว่าดูวิ่งไปฟัง ร, ง ร, งรู้ว่าฟังนี่ไปคิดรู้ว่าคิดทันทีที่เรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาช่วขณะหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวก็หลงใหม่ หลงใหม่รู้ใหม่ไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงนะฝึกเพื่อให้เห็นไว้ว่าจิตมันจะรู้สึกตัวก็สั่งให้เกิดไม่ได้หรอกมันเกิดเองจิตจะไหลไปหลงไปเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ค่อยรู้อย่างนี้วันหนึ่งจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหลงไปคิดและสั้นไหมเนีย่ยหลงไปคิดอย่างนี้ให้ค่อยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆพอดูออกไหมเนฝึกไปนะดูออกแล้วนะมาส่งกันบ้าน เนื้อท <c oughs> ี่สุดท้ายเดี๋ยวเลิกได้แล้วอจุนจุน มันไม่ใช่ปีหนึ่เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เดือนหนึ่งวันใช่สิถ้ารู้จักควาเป็นจริงอย่าเครียดไม่ได้ถ้าอยากอะไรให้มันเกินธรรมชาติธรร ม, ารรมดาได้เครียนในการปฏิบัตินะรู้สึกตัวเป็นแล้วก็มีความสุขตลอดสายของการปฏิบัติ้รู้สึกตัวไม่เป็นไม่ เ, เครียดอยา่าบังคับอย่างเงี้ยเด็กเสี้ยนนะอยา่างบังคับนะ ทำใจให้แข็งทื่ทื่อปล่อยเป็นธรรมชาติใจลอยไปแล้วเธอก็ดีโมเององนีคเอยเออดีมโตัวเองก็ัไหมไหมอมาที่จริงนะครับเ เปเดเทป่ตบางทีมันจะมีนี่แรงครับแต่ว่ามันชอบไปจับน่แรให้เคยดูทัึ่ครั้ครัอ่าดีสึกท้ายเข้าคุณนี่แหละนอนไม่ได้ที่ไหนครับนั่นเนความเศร้าเลยครับแต่อเาหลังที่รับฝ่ไปแล้วไปนองได้ทาอยู่นะครับมันจะรู้สึกทุบแล้วก็พอรู้กอเดี๋ยว้ด ก็คิดใหม่ทุกใหม่ใจลอยไปแล้ไม่เปี่ยนใจหนีไปแวะรู้ไหมให้รู้ให้เขาหนีไปก่อนแล้วก็ให้รู้อย่าไปนั่งเฝ้าไว้รู้สึกไหมเราไปนั่งเฝ้ารอดูนั่งเฝ้ารอดูไม่ถูกนะต้องตามรู้จิตตารู้ปรัชนาการตามรู้จิตกายารู้ปรันาตามรู้ใจตามรู้ไปเหตุตอนนี้หนีไปคิดแล้วไม่ตามรู้แล้ว ไปตามคิดแล้วบังคับตัวเองแล้วทราบไหมบังคับนันเด็กเล็งเลงขึ้นมาทือๆทําอะไรอยู่อย่าพยายามดูเนี่ยพยายามอย่า้เป็นเผลอไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ถ้าแต่สบายไป น, นั่งเฝ้านะเป็นทําผิดนะมีวิคิดแล้วทราบไหม แต่พอเรารู้ทันหล้ก็ตื่นขึแนมาแว้สั้นๆขึ้นมด้วยคกรรมนทีัสั้นๆนิดเดียวไม่ยาวรู้นานๆรู้ปลอกนะรู้จริงๆรู้ชั่วขนาดนั้นแต่ถ้าชั่วขนาดนี้เกิดบ่อยมันก็เหมือนรู้บ่อยหมันรู้ยาวๆอ่ะติดเวลพีชาตินะเหลือกนเหลอกนเลิงได้ีความั้ก็ความรู้สรู้สึก่า นก็จะลก่่ักนั้นกบคือเราจงใจปฏิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่อาจทำนะนี่เราก็บังคับไปได้ด้วยูไม่ไปดูสมัยก่อนมันอัดๆที่ระ้าอกหน้าหล้วก็อพยายามแก้ไขเช่นเพ่งให้มันระเบิดเรื่งโล่งสบายวันนี้กูเก่งแลยนะมีวันมาเรบเพ่งไ่งก็ไม่แตกอนนี้เพ่งไม่แตกทำไมทาจิตให้แหลมๆเป็นเข็มเลยนะจิ้ม น่ารเปิดโอ้ยงงเกงอกแล้วโอ้ยอาจารย์งงนานสามเดือนรู้สึกต่อไปก็ดูแล้วโล่งเลโอ้เก่งเราดูจิตเก่งไปบอกเรวงุูดุลุลวู่ดุลบอนั่นอาการของจิตกลับไปดูใหม่เรียนกับครูบาอาจารย์แต่ก่อนน้ำมันสอนสอนสั้นนิดเดียว ไปหาท่านครั้งแรกหลับท่านอยากไปบอกท่านว่อยากปฏิบัติถามท่านแทนที่ท่านจะสอนแล้วท่านก็นั่งหลับตาเป็นชั่วโมงแล้วก็วงงครูห ล, ลับไปแล้วไม่ยอมสอนนั่งกอจนเลยแทบจะหลับตามไปนั่งไปนอนไปเป็นชั่วโมงเดือดตาขึ้นมา การปฏิบัตินะไม่ยากมันยากฉเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือว่ามากแล้วต่อไปที่อ่านจิตตนเองเขใจไหมเสลิมมากเลยบอกเข้าใจห <c oughs> รืรอมลืมเข้าใจดีแล้วไปไปทำเอาใ น, นแค่นี้นะั้นแค่งานจิตตนเองตอนติเรถไฟถ้าตกใจอ่านจิตตนเองจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะจะเอาอะไรไปดูไม่รู้ ดูแบบไหนก็ไม่รู้รู้อะไรสักอย่างตกใจตกใจทํางานนี้ตกใจทําสมถะทําอะไรไม่เป็นทํารรมถะแล้วก็พุทโธพุทโธโธไปสบายใจนับไผ่พิญนาโมจิตต้องอยู่ในกายนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่รู้อะไรเกิดกายนี้ออกไปแต่ใรู้กายรู้อยู่เนี้ยรู้สิจิตอยู่ที่ไหนไล่มาตั้งแต่ผมเนี่ยจิตอยู่ในผมจับอยู่บี้บี้อยูเห็นมีจิตนะหลาย จิตไม่ใช่ตัวร่างกายจิตเป็นความสุขนอนปุ๊บน่นนั่งดูเนี่ยเห็นความเมื่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นดูไปความเมื่อยค่อยๆหายไปเดี๋ยวเพิ่ขึ้นเห็นจะมีจิตตรงไหนเลยมีแต่เมื่อยเนี่มันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นความคิดทำไมหัดคิดมันเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุโธคารุณามานาโวคิดบทสวด คิดบดส่วนวลมันไปเห็นใชครับความคิดนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูเอ็นัละเส้นเลือดได้ร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูนะเวทนาความปวดความไมื่ก็ถูกรู้ถูกดูอ๋อใจมันเป็นคนรู้คนดูเองจิตมันก็คือตัวผรู้ผู้ดูเองเสร็จแล้วไหนมันดูออกมาได้ปุ๊บผู้รู้ทันแล้นดูออกมาแวบเดียวจริงต้มเลยปุ๊เข้าไปอยู่แล้วเข้าไปรวมเป็นก้อนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นดูอีกนทีหนึ่งนั้นดูออกไาสองสาแวบ ข้าวบีบหาทางดึงไงไม่จะออกนึงสามวันก็เริ่มสั้นสามวันหน่งปีหนึ่งสองวันหนึ่งปีหนึ่งอนเดียวก็ดำหนึ่งีสองหนึ่ปีได้แค่นั้นแหละดูไปดึงไปมันปนุนกมาหัเป็นก้อนๆหาทางําไรอยู่ทำอย่างนี้สามเดือนรู้สึกเก่งนะใจเรา นะฮะดูไปด้วยหาทางแก้ลูกเดียวเนี่ยพอวันไหนมันดีก็หาทางรักษาวันไหนมันไม่ดีก็หาทางแก้รู้สึกเก่งมากนะ <c oughs> กลับไปหาหลวงปูอีกครั้งหนึงห่างกันสามเดือนครั้งแรกไปมาค่ะครั้งนึงไปวิสาข์ไปเล่าให้ท่านฟังแทนที่ท่านจะชมนะท่านก็บอกว่าไอ้นั่นมันอาการของจิตทั้งหมดเนี่ยกลับไปดูใหม่เนเรียนครั้งที่สองได้แค่นี้นะ ไม่มีนะครูบาอาจารย์รู้แต่ก่อนไม่สอนไม่ช่วยลูกศิษย์ทํากันบ้านให้ช่วยตัวเองเราก็ต้องมาคลทำทำเอาเองนะลองผิดลองถูกมาดูแนละ้วต่อไปนี้ตามรู้มันรูปเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงอย่รู้มันอย่างที่มันเป็นอะไม่รักษาแล้วไม่แก่นนะแล้วแล้วรักษายัางไงก็รักษาไม่ได้แก้ยังไงก็สั่งมันไม่ได้รูไ้รปไปดูปไปสี่เดือน ไปเรื่อยๆมาไปหาท่านทรานที่สามท่านบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาแตมาแล้วรู้บอกไปลูกศิลป์หลวงปู่นะได้เรียนอย่างเงี้ยนะพักมากหลังจากนั้นก็ดื้อๆไปหาท่านไปถึงครั้งสุดท้ายไปหาท่านได้หกครั้งเองครั้งสุดท้ายเนี่ยสามสิบหกวันก่อนท่านพรัดน้พ ถ้าไปถึงก็คุยธรรมะคราว น, นี้ท่านสอนเยอะเลยสอนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนมากก็เรื่องจิตคือพุทธฟังฟังฟังไปงั้นเนะเ <c oughs> ส็นแล้วเห็นท่านเหนื่อยนะท่านสอนจนหอบเลยนะพุทธาอัยยุ๙๖นะนั่งหอบสารต่เย็นๆเลยต่เป็นคำ ลงปูนเลยแล้วผมจะปรับแล้วจะปรับแล้วเร็ยังกลับไม่ได้สอนต่อมันเปลี่ยนเรื่องไม่พูดเรื่องจิตคือพุทธะจาไม่เลยพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทาลายจิตถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้บอกเออดีไปได้แล้ว ไปหาครูบาอาจารย์แล้วประโยชนสุดท้ายต้องคื อ, อไปได้ะแล้วหลวครูดู น, นะ <c oughs> ถ้ะองค์อื่นไปนั่งตืงอ้อยู่ไงตังไว้ว่าอะไร <c oughs> หลวงครูดูเนี่ยไม่ให้เสียเวลาไปทำเอามานั่งเกาะอาจารย์อยู่ไม่ได้กินหรอกต้องช่วยตัวเองเยอะๆไปดูไปรู้จัดใจลอยไหอย่าไปบังคับไหน ะ, ะทิมคุณธรรมพิชชาติต่อข้าง เลยทำนั่งก็พอแล้วนะเสือสั้นลงไห ม, มถ้าเราฝึกไปแล้วเราเสือสั้นลงสติเกิดเร็วขึ้นก็คือว่าเราพัฒนานะพัฒนาไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก สั้นลงสั้นลงนะเราก็รู้สึกแหมสติเราปราดเปรียวมากขึ้นมากขึ้นนะถึงวันหนึง่งสติหายไปหมดแล้วปฏิบัติไม่เป็นนะนักปฏิบัติเจอทุกคนเลยนะครูบาอาจารย์ก็ไปยเล่าอาจารย์มหาบูร์ก็ไปยล่าวันหนึ่งมรรคผลนิพพานนั้นะอีกนิดหนึ่งก็ถึงแล้วสติปัญญาปราดเปรียวอีกวันหนึ่งหายไปหมดแล้วหาไม่เจอสิบอย่างยังไม่ต้องตกใจ เออต้องอย่างนี้เละเป็นทุกคนนะเป็นทุกขั้นด้วยทุกขั้นตอนเลยนานๆตอนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาปฏิบัติยังไงอ่ะนะนล้กลับมานะหลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะโอ้ขยันเดินทั้งวันทั้งคืน เ, เดินเส้นหนักอื่นเลยแต่มาตอนรู้สันก็เนอะรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกไปได้ บางวันรู้สึกว่าอ๋อนี้เดียวก็ถึงแล้วบางวันหายไปไหนก็ไม่รู้เขาภาวนากันแบบไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้เลยลืมไปหมดเลยว่าเขปฏิบัติแบบไหนยังไม่ต้องตกใจนะอะไรเกิดขึ้นนะใจเย็นๆรู้รูปเดียวรู้ไปเรืเ่อยเร่อ <c oughs> <c oughs> ก็ดีแล้วนะนะตามเพราะให้คันนะเดี๋ยวก็หีไปก่อนเราตกหล่นอยู่ลําบากนะพยายามไปด้วยกันให้ได้พากันไปนะทั้งทีมเลยอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจแล้วจะเสียดายทีหลังเคมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเขาเล่าให้ฟับงบอกท่านภาวนานะท่านเป็นหนุ่มๆนะท่านภาวนาดี ท่านบอกว่าพราถ้าเราเร่งความเปลี่ยนเดียวเดียวก็จบแล้วเราสงสารคนออกมาเที่ยวสอนก่อนเวลาเรามีเยอะ <S <S 1> <S 1> ท่านบอกว่าความมันเริ่มขึ้นได้อีกทีนะท่าน70กว่าปีแล้วอายุ70กว่าปีเฮ้ยเราจะไม่ทันแล้วนี่ตอนนี้เลยท่านเลยกตกใจเวลาเร็นวนะแปาบเดียวผมก็เ ข, ข้าวานนะัดอ่ะอายุ29ปีรู้สึกเวลาผ่านรวดเร็ว <c oughs> แต่เราผ่านด้วยความสบายใจเมื่อเราฝึกของเราเแล้วแต่ถ้าเรายังใล้แก่แล้วนะแต่ยังไม่มีสมบัติติดตัวเลยโอ้ยอย่างี้ยากละ่ะจิตใจชัดวุ่นวายเหมือนอยู่กับโลกเนี้ยทำงานไปเที่ยวไปกินไปหมดตอนแก่ไม่มีสมบัติติดตัวนะรู้สึกว้าวจิตใจไม่สบายการปฏิบัติก็เหมือนกันนะ รีบๆทำตั้งแต่อย่างไดถพอแก่ๆแล้วไม่มีสมบัติติดตัวนะจะว้าเวนะ <c oughs> บางคนเพื่อนๆไปหมดแล้วเหลือตกรุ่นอยู่นะ <c oughs> บางคนภาวนามาตั้งแต่สมัยข้าพุทธศตวรษที่นึ่งรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วตกรุ่นอยู่ก็มีนะ <c oughs> เอาแน่นอนไม่ได้ยังต้องต้องดูบ่อยๆ แต่บางคนที่ช้าเนี่ยเขเที่ยวเก็บความรู้ข้างทางไปได <laughs> ้จะเอาพุทธภูมิอย่าบังคับนะอย่าบังคับเอามงคลเอาโมกุลเป็นไงอะไรนะ <im itation> เ อ, อตามคิดไปก็หลงไปนะก็หลงไปเรื <im itation> ่อยยานนี่งก็คอยเพ่งมีสองอ่นนะที่ผิด เพราะฉั้นเวลาเราเผลอไปเรารู้ไวๆหน่อยว่าเผลอเราก็จะตื่นขึ้นมาช่วขณะอย่าเป็นโมโหนะทาไมเผลอนานทำไมเผ ล, อ, นนเลอบ่อยอย่างงี้ช่างมันเอาเท่าที่ได้ยิ่งทําเท่าที่ทําได้แต่ว่าดูบ่อยหน่อยไม่ใช่อ้างว่าทําเท่าที่ทําได้แล้วไม่ยอมดู <c oughs> ใจลอยแล้วนะมีไป น, นะคุณส่วนนี้อย่าบังคับมันนะพอดูออกไหมเพื่มบังคับนะ้ ใจเราจะสุดตรงอยู่สองอันนียไม่เผลอไก็บังคับไม่ขอคุณยังไม่เลิกบังคับอหมางนกันนะยังมีอยู่ดูออกไหมทีละที่ดูออกดูออกแล้วเราก็ภาวนาเป็นภาวนาเป็นหมายถึงว่าจิตใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าภาวนาเป็นไม่ใช่ว่าไปบังคับมันนะไม่ใช่ไปดัดแปลงมันไม่ไปต่อว่ามันด้วยนะเป็นน้อยอกน้อยใจทาไมมึงโง่นะทำไ ม, มช้านะ ไอ้นั่นก็เรียกว่ากลุ่มกุญแจนะเนี่ยๆจะมีกุ่มกุญจเนี่ยทำไมมันไม่ได้ทันทีอะไรนี่นี่ทีมกปุ่มกุญแจอย่างนี้เออพวกนี้ก็ต้องทีมสิบเอแม่หมดเนี่ยมีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไว้อย่าบังคับนะวันนี้ยังติดนิดนึง อยู่ทีมเดียวกับชมพูแลรวรัชสารนุ่นหลังๆนี้ทำไมมันธรรมะสมโมนะรุ่นหนวงข่อไม่ค่อยมีมีแต่สายมารค่อยๆดูไปนะค่อยๆหัดไปหัดใหม่ๆรู้สึกยากมากที่จริงง่ายที่สุดเลย <S <S ไม่ได้ทำอะไรเมื่อวานมีคนมาบอกมันไม่ได้ทำอะไรเลยแฮะมันทำก็มันเอง ใจจัยมันไหวปุ๊นะมันก็รู้ขึ้นมาเองไม่ได้ทําอะไรรู้พบเป็นเบิกบานเองไม่ได้ทําอะไรอีกทําอะไรไม่ได้ทักอย่างมันทํเพรามันเองไม่งั้นไม่ยากอะไรอย่าให้กิเลสมันหลอกแล้วกันเช่นเร่าร้อนใจเ <c oughs> มื่อไหร่จะบรรลุทดานี <c oughs> ้าเราร้อใจเรีเรียกปุจจินะ <c oughs> ถ้าเราสังเกตให้ดีในทุกๆสภาวะมันจะมีความที่นิ่ง ความสงบเย็นที่ซ่อนอยู่ในทุกๆสภาวะแหละอย่างในขณะที่ความเร้าร้อนใจเกิดขึ้นถ้าดูมันด้วยใจเย็นๆ เ, นเราจะพบว่ามีธรรมชาติส่วนหนึ่งที่เฉยๆนิ่นนงๆเยียบๆเย็นๆซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆเบข้ารู้เข้าดูไปธรรมชาติเนี่ยไม่เด็กเลยจริงๆแล้วก็คือแม้กระทั่งในขณะที่กิเลส ก, กําลังเกิดอยู่เนี่ยธรรมชาติอันนี้ก็ไม่เคยหายไปไหน แต่ว่าเราไม่เห็นเราเห็นแต่กิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสภาวะทั้งหลายใจเราเป็นกลางจิตเราจะเห็นสภาวะนี้เห็นธรรมชาติที่ว่างๆใจเราต้องเป็นกลางสันเห็นแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางไม่เห็นในที่สุดเราก็จะเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะมันจะหยุดความปรุงแต่หยุดอยู่วพอเป็นกลางทุกๆสภาวะเนี่ยไม่เอานะไม่ทํานะตั้ง แม้็นผ้่แาพยายามเๆเว่าเราเิดในกรามปิตเป็นตัวหาวันมองหากรวนานมคยๆว่าในกลองไฟใหญ่ๆมีจุดที่สงบเย็นอยู่จุดนึงจุดนี้ไฟเข้าไปถึงแต่ถ้าจงใจไปอยู่กับตรงนี้เป็นสมถะนะไม่เข้าไปด้วยความจงใจ เพรนในสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาผ่านไปนะรู้ด้วยใจเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางกินดีร้ยายกินมัก็รู้ทันมันเพรามันเป็นกลางปฏิทุกสภาวะยังมีธรรมชาติที่เบิกบานรู้ตื่นเป็นกลางรู้อยู่กันอยู่กันจิตที่สว่างสไาย์ก็ไ่ไเป็นจิตมีอะไรนะจิตที่สว่างสไตร์ก็ไม่ได้เป็นนั่นเป็นจิต จิตที่สว่างไสวเนี่ยจิตเป็นกุศลสว่างไสวขึ้นมานะมีสองอันอันนึงประกอบด้วยปัญญาหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยแต่ไม่ทําชั่วสว่างเหมือนกันแต่สว่างโง่โงมีแบบมีอนหนึงสว่างปราบเปลี่ยวรู้สึกหมบางบางวันฉลาดตัดเปรี่ยวสว่างตัดเปลี่ยวบางวันสว่างรือสบายเป็นกุศลแอบซื่ออยู่เฉย สว่างก็ฝาดเปรวมันจะเหมือนคนที่คลองแถวเนาเใช่ดนั้นออจิตเป็นกุศลเป็น ส, นสองสองชนิดจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาจิตที่เป็นกุศลเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญามีสติทั้งคู่แต่ไม่มีปัญญาก็ได้ไม่มีปัญญาคือมไม่รู้ ล, ลักษณะไม่เห็นในตัวสภาวะมีสติรู้แค่ตัวสภาวะไม่เห็นรักษณะ รู้สึกในบางวันใจก็เป็นสว่างจ้ามิวิ่งไปไหนแต่ถ้าบางวันสว่างจ้าไม่เห็นนี่ก็ของสภาวะที่ของสุขรู้สุขดูไม่ใช่ต่าจิตไปติดิย่างเช่นที่ต้้มไปศึกษาไปฝึกมันเป็นการส่งสติดด ส, ส่งจิตเข้าไปแผ่ให้กับอารมณ์พวกนี้ชอบทำไปติดคำอยู่คำหนึ่งในพระเจ้าพิจด อยู่ในปติสัมพิธมรรคบอกว่าสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์เป็นของควรรู้ยิง่งสติปัฏฐานะคือสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์เป็นของควรรู้ยิง่งก็เลยคิดว่าต้องส่งเข้าไปตั้งส่งเข้าไปตั้งมันไม่ลงปัจจุบันแล้วลงข้ามเกิดก่อนควาว่าสติตั้งในอารมณ์ก็คือสติระลึกรู้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ ไม่ใช่เข้าไปแช่แเข้าไปแช่แล้วทำได้โลภะจิตเมียคือสุข<ต>ค น, นที่คือแนวอย่างนั้นเป็นเยอะเลยเอาเข้าไปแช่ไม่ได<ม>้แบบจงใจว่าเนี่ยจะเกิดปัญญาไม่เห็นว่าโลภะเป็นสุโลภะเป็นสหชาติตจัดใจของการกะทำกรรมทไานอาจารย์ก็บอกว่าสุขเนียามันกว่างีโอ้เป็นสุขเลย <c oughs> สุดแบบคนต้องแบกหามอยู่จริไม่โดนทุกเขี่ยวนั่นนี่ไม่ไอแบกนอยู่นะชมภูรู้สึกไหมชมภูไม่ต้องไปเต้าของต้าให่กนรตายก็ตายหเป็นไรใครก็ตายเรอยอ้าคนที่พุ่งลูกอ่ะพุ่เด็กอ่ะรู้จักใจลอยไหมใจลอยรู้ว่าใจลอยนะเนี่ยไปหานี้ เราใจรอยแล้วเราใส่รู้ผ่านนะฝึกแค่เนี้ยพอแล้วใจรอยอีกแล้วรู้ไหมมันลืมตัวไหลแวบไปลิ่งแวบหนีไปคิดแล้วทราบไหมแต่เรียนใหม่ๆเรยนยากนะค่อยๆเรียนไปค่อยๆฝักไปโยมโอเคเรื่องเสร็ไหมตะโกะไปนะตะครู อย่าไปบังคับมันนะอันดูเฉยๆดูเล่นๆไม้นี่ตกตาเริ่มน่ตกตาร์ต้อเปล่งนี่กล่ามีประโยชน์นี่นะครับประกอบความนการพิโรจริงมันก็เล่าเร่งในพิโที่บอกว่าเทวดาพอตายเนวกอยางเกิดมาเป็นเทวดามันรู้ได้อยงไคุณเนี่ยในสม แฝงไปเพราะว่าตอนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นหลงเถื่อนเคลื่อเถื่อเลื่อเคลื่อเคลื่อนนี่นั่นที่ราคะดังนก็เลยทาราคะเป็นอาจินกรรมทำอาจินกรรมที่มีราคะให้ธาตุออมาเกิมากไปเป็นเปลือยแต่นือ่างแต่เปลืยบางตัวก็สมบัติเยอะนะแต่ถ้าเป็นพวกมิชาพิธีนี่จะเป็นอสุรกาย เป็นยังไงสมาชิที่ถูกต้องไม่ใชรใหม่กัรอว่าอะไรคือสมาชิกที่ัวแท้ๆเกิดรอบกาบอริยมรรนี่ถ้าอย่างของเราที่นึงเรียกอนุโลมเป็นพอจมีพอไดพอจะมีบ้ะอยังไม่แน่นอนที่กต้องเป็นญาณภาวะรดัีมีอยู่ก็มี เราสามารถลงมาสอบได้มีเรื่องอะไรนะลงมาแบบเข้าร่างทรงทดสอบมีเร่องะไรที่เกทรงใครเขเ็นกระจาพวกเทวดาเคยบอกว่ามันมนุนะ่นนักเหม็นมากเลยไม่มอยากเข้าใกล้ไปอิสเียนคืิงคนบอกว่าการสืสามบางานสรก็ใจเรื่องมันก็นมีหลายๆสานักเขาสอหลายแห่งเขาก็สอนาาสอกันเองเข้าทรงทดสอ คนจะไม่ฟังนิดเพาะว่ที่น่ากลัวนลครับเพราะว่าเหมือนกับการเหมือนงินมีเงินะหลไหลไหลไหลไหลไหลุหวไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลเทศไหลไงลไหลไหลไหลไหลไหลไหลรหลไหลไหลไรลไทล่หลไหลไหาไหลเหลไหลไหาไหลไหลไหลไหลไหลไลไหไห่ไลไหไหลหลไหเไหลไรล นักทัต์สิก็ไม่ใช่การห่วท่านคนหนึงเขคงทำทำสิ่งกระทำอย่างเงี้ยแล้วั้ไม่ถีก็เลยตใจไม่ได้ทแล้วทิฏฐิสัมมาสม า, สมาทั้งหมดเนี่ยคือรูปนามของตัวเองสมาทิฐิี่คือการที่สามารถรู้รูปนามอย่างที่มันเป็ น, ปนรู้ว่าความสิ่งมันเป็นยังไงสัมมาสติก็คือความระลึกรู้รูปนามสัมมาสมาธิความตั้งมั่นในการระลึกรู้รูปนาม น้องเตือนไม่ฟังก็ปล่อยไปไม่เป็นไรนิยตะานิยต์ตามินชาาที่จีก็มีหนักมากเลยนะครับนิยต์ตานยต์หลวงพ่อสบายใจนะหลังๆนะไปฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ตามใจมีนีเทศตามใจตัวเอง ไม่ตามใจคนเั่งแล้วคุณมีหน้าที่ฟังได้รู้เรื่องเองใจรอยไปนล้วคุณเละหัดรู้สักว่าไม่ใช่ทําอะไรรู้สึกไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทอะไรสุกอย่างเลงรู้สึกไหมนั่นแหละเลิกซะไม่ทําอะไรนะไม่ใช่ว่าพอคิดถึงการปฏิบัติ ก, ก็ลงมือทำมันก็คือการบังคับกายบังคับใจเทนะ่านั้นเองรู้สึกไหม กายทื่อๆใจทื่อๆสึกแหมพอคิดถึงการปฏิบัติก็ลงมือ บ, บังคับการบังคับกายบังคับใจกคืออัตตาอิริมฐานวโยคความสึกโตในขั้นบังคับตัวเองทําตัวเองลำบากรู้สึกลำบากไหมแข็งๆทื่อๆหนักๆแน่นๆอย่างนี้ได้ลงไปนะไม่ตรงทางไหนกลางไม่ลงแต่ไม่ได้ปรลอบทอนไว้เข้าใจยากที่สุด แใจลอยแบบนี้เพ so so so so ี้ยทางสากลางเนี่ยนะทขึ้นมาไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าเดินทางผิดแล้วมันจะถูกเองเดี๋ยวเรารู้ว่าเราใจลอยเสรปุ๊บเราจะตื่นขึ้นมาเลยรู้ถูกอีกแต่หลังจากนั้นจะพยายามรักษาความรู้สึกไว้นานๆเดี๋ยเงี้ยไม่ไม่รู้สึกอะหลงเลยแค่ชกโก้โก้นั้นเป็นสถิตเนาะทุกไปเลยชาวโลก เอออย่าซึมนะเข้มแข็งไว้รู้ขึ้นมาเคลื่อนไหวเปินจมกรมอะไรก็ทำไปอย่าปล่อยใจซึมซึมไม่ดีถ้าปล่อยมันต่อไปจะนิสัยเสียมันจะซึมทั้งวันเลยต้องเข้มแข็งนะนุ้งขึ้นมาสู้เออไม้ดีแล้วอถอนแล้วพี่ชมใะเคี้ย เออนะนึกออกใช่ไหมนั่นก็คือสภาวะที่ถูกที่สุดเลยถ้าทรงอยู่ในสภาวะนั้นได้เหนื่องๆนะบางคนนิพานนิโมมากเลยเพราะอะไรเพราะเป็นสภาวะที่ไม่กรุบแต่งนึกออกไหมไม่แต่งอะไรเลยนึกออกใช่ไหมเน้นเมื่อไรจิตหลุดออกจากตรงนี้นะรู้ทันรู้เฉยเฉยตอนนี้หลุดไปแล้วรู้สึกไหมให้รู้เฉยเฉยนะเป็นกลางกันอย่าไปเปลี่ยนมัน อย่าไปอยากอยู่อย่าไปกี uh ้นะทําไปนะทำไปคนรู้ดขึ้นมาตรงนี้ไม่กี่ท uh ีตัดเลยก็มีนะคนหลุดมาอยู่อย่างเงี้ยเป็นชาติชาติไม่ยาตัดก็มีแล้วแต่คนไม่จําได้ใช่ไหมไม่ชัดนะถ้าเห็นร่องรอยก็ยังมีนะอย่าตั้งใจนะตั้งใจเกินไปุลืมไปแล้วสึกไหม สงสัยแล้วรู้ไหมเม่อกี้ใจลอยเนาะนี่ก็ปรับระบังคับใหม่แล้วรู้สึกไหมบังคับกายบังคับใจเป็นเคยชินนี่พวกไม่ค่อยเข้าวัดพวกไม่ค่อยเข้าวัดจับเสือไปพวกชอบเข้าวัดวชอ บ, ชอบทำกรรมาฐานจะนั่งเพ่งเอาไว้สุดโต่งสองฝั่งเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะจำไหมนะใจมันจะโล่งว่างเลยนะ สว่างสวหวออกมาจากข้างในแต่ตอนนี้มันหายไปแลนะ้วไม่ต้องพยายามจำนะเนี่ย <c oughs> <N ee> ตรงนี้ความรู้สึกตัว อ, อยู่ตรงนี้ตรงที่มันตื่นมันเหมือนเราตื่นขึ้มนมาจริงนะแวบเดียวอยู่เมืองกาญนะเดี๋ยวเอาซีดีของหลวงพ่อไปนั่งฟังนะฟังบ่อยๆจะได้ตื่นขึ้นมาเดี๋จะได้เหมือนคนอื่นทาได้คนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะมีความสุขมหาศาลนะ ทีแ่แค่ตื่นยัมีความสุขเลยนะเอบรรลุมรรคผลไม่จับขนาดไหนที่แค่ตื่นลิ้มรสชาติของความไม่ปรุงแต่งชั่วขนาดแวบเดียวเนะี่ยมีความสุขเลยถ้ามันรู้สึกว่าโอ้ไม่มีอะไรต้องทําอีกแล้วมันไปอย่างเลยเทียบกันไม่ได้นะให้ขยันดูจะให้มันหยุดไหม เป็นอย่างนี้เหมือนประมาณสองปีก่อนเออเห็นไหมทำไมมันเสื่อมมันมันเหมือนไม่เป็นเลยเออดีแล้วยินดีด้วยถ้ามันเจริญลูกเดียวนะมันจะได้มิจฉาทิฏฐิมาเดี๋ยวรู้สึกโอ้กูเก่งเราพยันแล้วเราก็พัฒนาจิตของเราได้เนี่ยแหละให้มันถล่มทลายทางภาพหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้แหละดี แต่ไปนี้เวลาที่มันเสื่อมภาพบอกหลาครั้งให้เราเสื่อมอย่าตกใจอย่าพยายามทําให้ดใหีให้เป็นกลางกับความเสื่อมนี้เพราะนั้นใจของเราไม่ชอบเราเกิดการดิ้นรนอยากให้หายรู้สึกไหมมันดิ้นรุขับรุขักเนี่ยมันอยากให้ดีอยากให้หายให้รู้ทันมันแล้วเป็นกลางกับมันซะทันทีที่รู้ทันแล้วเป็นกลางขึ้นมานะมันจเจริญเลยแชมพูต้อง กับพี่กับเปล่าไว้นะแข็งไห้เนะปเต้นอลรมบียอะไรก็ได้ <c oughs> เคลื่อนไหวไวนะ้แล้วใ่รู้สึกอย่าปล่อยใจเศร้าๆนะสวมวิญญาณนานงเอกนานๆไม่เอาเสียวเวลานะกับพี่กับเปล่าขนะึ้นมากับเื่อน เออเป็นทุกคนอ่ะแต่ถ้าคนที่หัดรู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวได้สักพักหนึ่งแกอยากรู้สึกบ่อยๆพออยากรู้สึกบ่อยๆเลยลงมือทำด้วยแข็งๆขึ้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นคนวายหายตัวน้คือไม่ใช่ั้งไม่น่ใจตัวเองเนี่ยความรู้สึกอ่ะอืมทาถุกแล้วดูไปเรื่อยๆ เพรโลกมันมีแรงดึงดูดเยอะนะทำอะไรไม่ได้หรอกนะแต่ฝึกของเราไปเรื่อยๆเลยที่สุดเราจะรู้เลยว่าความสุขอย่างนั้นนะความสนุกนั้นนะไร้สาระอย่างผมพ่อนะแต่ก่อนนี้ทางานเนะี่ยโอรายการกินเลี้ยงนะ้นยาวมากเลยกลางวันเย็นกลางวันเย็นอะไรเงี้ยนะบางทีเย็นสองงานนะอะไรเงี้ยโอเเย็นมากเลยนะ แต่ว่าเรามีหน้าที่ไปก็ไปไปแวบหนึ่งหนีได้ก็หนีมันมันไม่สุขหรอกมันทุกข์แค่เข้าใกล้คนที่มัวเมาประมาทหัวหมุนจี๋ๆเราก็แย่แล้วอย่างไปเดินสวนการค้านะตอนยังภาวนาไม่เป็นสนุกนะหาักใหม่ๆนึกเลยเข้าไปนะโอ้โหเมา ที uh, ่เคยค่ะคว่าพอรู n è. N è, ้ใจรู้ใจแล้วเนี่ยได้อะไรบ้ล้วท <ì> uh. ี <sh ory> ่เราามถอกรู่างที่ดูเนี่ยมีอะไรนะอ่ใช่ทูมูรจริงจะมีอะไรสารพัดเลยในบรรดากุศลทั้งหลายีก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละอต่ว่ารงกายรู้ใจแล้ว ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วมความสุขรู้ว่าเรามีออะมีความสุขมีความหายเหนื่อยนะมีความสบายสบายกายสบายใจฝึกไปเรื่อยๆสติว่องไวขึ้นมาจิตใจตั้งมัน่นจิตใจตั้งมัน่นเรามีกำลังหายเหนื่อยจิตใจตั้งมัน่นหรือจิตไม่สบายอยู่เรารู้ว่าเราไป เห็นร่างกายมันนอนหายใจเขมวกคเขมวไม่สบายนะติดเกิดปีติหายป่วยก็ได้นะในกําลังของปีติไม่ทําอะไรได้สารพัดเป็นประโยชน์ของการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมามีเยอะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันรู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วสบายทําให้เกิดอของเล่นก็ได้อย่างรู้ทันใจคนอื่นอนะไรเงี้ยหรือทําให้ เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเปรตรู้ตรงความเป็นจริงเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับชีวิตเราที่ทานมาเหมือนเด็กเด็กไม่เลิกแต่พอเรารู้ตื่นขึ้นมาจริงๆนะชีวิตมันเต็มอิมม่มันเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่นะบรรลุเรื่ออะไรนะพุทธภาวะทางจิตใจนะไม่ใช่ทางอายุอายุหกสิบยังไม่บรรลุนิติภาวะก็มีนะ ยังเป็นเด็กข่ารกไม่เลิกแต่ถ้าวันใดที่เราเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วนะมันอิ่มมันเต็มมันมีความสุขเจอตัวเองอตามมัสโลนะจีหยาบอนที่เจอตัวเองอะนะมันนิดท่านที่สูงที่สุดอค้นพบตัวเองเพรา้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอะไรที่เรียกว่าตัวเราก็ใจเรารู้แน่วันหนึ่งแจมแจ้งมันจะอิ่มเลยจะอิ่มมีความสุข ตอนนี้การอยู่กับโลกก็อยู่เล่นๆอยู่ไปอย่างนั้นอยู่อย่างคนที่รู้ทันถึงเวลาเล่นกับมันมีนะที่ต้องเล่นกับมันนะก็เล่นกับมันไปแต่เล่นอย่างรู้ทันเลยเราจะรู้ได้ไงวะถ้าให้รู้ไปว่ากําลังสงสัยอยู่แล้วจะรู้เต็มที่เพราะเมื่อไรรู้โลกปัจจุบันได้จริงๆนะจะรู้เต็มที่ เห็นไหมเราส่งใจไปดูเด็กเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหม่าบอกว่าให้รู้ถึงใจเขาว่าใจนหมายว่าให้รู้ตัวรู้อกา้ใจ็อนุมาณไปก่อนอนุโลมไปก่อนมาเป็นใจใจตัวแท้ๆเลยก็คือมันจะเป็นปรากฏให้เราเห็นจริงๆนะตอนเข้าถึงธรรมะแวตอนนี้เราก็อนุมาณไป น้อยปราบดอะไรก็ฝึนธรรมะไม่ได้ปรากดแบบตั้งดูให้ดูเล่นๆนะดันดับซิกระทั่ทง้าดรู้ก็ดับได้อ้าใจรู้สึกไว้ให้จูนรู้สึกไห้เฉยรู้สึ ก, สกถ้าขออย่างนี้นะั่งนานแล้สวสองคนนู้นมือเดือดหลังจานเอ้ามาส่งกันบ้าน เออตามรู้แล้ว ร, รู้อะไรแล้วก็บอกแต่รู้ ไ, ไวขึ้นค่ะเออแล้วเผลอไปรู้ไหมรู้เยอะก่เผลอนานไหมนานนานมากไม่นานแค่ไหนอะม่ไหูยนานมากสิบสงปีหายเข้าไหม ไม่อายก็ไม่รู้ยบ้าวอย่างไรแล้ว10นาทีนานมากใช่นะอแล้วเร็วเร็ว่ะเรอะหูยังช้าไหมต่อไปพอไหลแวบต้องรู้เร็วเร็วเลยไหลแวบรู้แวบรู้เลยนะัก็เป็นมารนเออเวลารู้แล้วเป็นยังไง เออดีแล้วความทุกข์มันเกิดตอนเสลอรู้สึกตัวไว้ความทุกข์ทางใจไม่มีแต่ตอนเนี้ยอยากคุยแล้วรู้ไหมเออไม่คุยเยอะนะอย่าคุยเยอะเอาคืนแลวว่าไงว่าไงนี่เขาบอกว่าเขลเสือนานตั้งสิบนาทีแหี่ มเมื่อเช้าไข่บะหมี่รบถึงตั้งวันไ <c oughs> งนูแอบเป็นไง <c oughs> บอกไม่ถูกเหรออ๋อแสดงว่าธรรมะเนี่ยเนือสมมุติบัญญัติ <c oughs> ไม่ถูกจ <c oughs> ิตใจเป็นยังไงรู้ไปได้ดื่อยนะรู้ไปได้วยดีแล้วละ่ะแต่ว่าเรายังแข็งๆนิดนึงดูออกไหมใจมันยังไม่เบิดบานร้อยเอร์เซ็นนะ บอกไหมือ อ, อ, อ, อ, อ, อากห็นิพพานอะยากนิเหานแล้วคือ่งงนิพพานโอ้ยอยากิพพานหรอนิพพานเนี่ยนะคือใจเราเนี่หมดความอยากเราะงั้นยังอยากนิพพานอยู่จะไม่เจอนิพพานนะนิพพานเนี่ยก็คือการที่ใจเราหมดความอยากนะใจเราหมดการรีบรนรู้สึกไหมใจเรายัางรีดไปรีดมา แต่ยังแอบทำงานเรื่อยๆรู้สึกไหมแต่ยังชอบไปทํางานนะยังดิ้นอยู่ไม่ค่อยรู้ไปเป็นกระทั่งมันเลิกดิ้นคนทั่วๆไปที่เขาไม่ฝึกนะใจทํางานทั้งแต่ตื่นจนหลับเลยของเราก็มีสติรู้ทานการทํางานก็ดับลงแป๊บหนึ่งใจโลง่ลงๆขึ้นมานะแต่เดี๋ยวก็หลงไปทํางานใหม่รู้ใหม่ก็ดับอีกถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างวันหนึ่งนะมันไม่หลงไปทํางานแล้วนะมันไม่ต้องตกครองไม่ต้องรักษาอีกแนละ้ว แต่ตอนนี้ต้องไปหมั่นมืนะอยากชี้เกียร์ี่ครั้ที่เราฝึกในาวกับกระสงายในช่วงังไม่ีารเป็นรูเป็นร่างแล้วเพราะว่ามีคือแบ่งเป็นของนี้คือหัวใจแล้วเป็นใจความหมายทีมันรนี้ได้ได้แล้วแต่จะพูดภาษามนุษย์ใช้สื่อธรรมะนั้นให้ได้แต่ละคนแปลไม่เหมือนกันเปนหมดเลยแล้วเอาไ เอายกรวยมัวแต่ปราบปรื้นมีความสุขแล้วเพลิดเพลินในความสุขดูออกไหมดูออกแล้วค่ระวังตายไปเป็นเทวดาลําบากแย่จ้าเป็นเทวดามีการพนะิการเออเราไม่พิการอะเราจิตใจเราเป็นบุญตั้งแต่ก่อนทําระหว่างทำทำแล้วก็ยังเป็นบุญอยู่ไม่พิการหรอก <c oughs> แต่อย่าเพลินนะเป็นเทวดาลําบากนะเดี๋ยวคนมันมาเฟอกหวย แค่นั้นไม่พอเป็นเทวดาก็ไม่พอนะเออต้องเจริญสติให้ได้ใอ้คุณศักด์ใจลอยทราบไหมเอาคนที่เลี้ยงเด็กน่ะผู้หญิงอ่ะใจวิ่งไปแล้วรู้ไหมนึกออกไหมเมื่อกี้นี้เราดื่มตัวเราเองเพราะเราปวดดูเด็กพอเราดูเด็กปุบใจเราวิ่ง งั้ลี้เด็กนะก็ปฏิบัติได้สมมติว่าลูกเราวันนี้หัวเราะล่าเริงใจเรามีความสุขนะมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขลูกเราไม่สบายเราเป็นห่วงเรารู้ว่าเป็นห่วงให้คอยรู้ทันความรู้สึกในใจของเราสมมติว่าลูกเราหัวเร า, ล า, ล า, ลาละล่าเริงเรามีความสุขเราก็รู้ว่ามีความสุขคอยดูใจของเราไปเรื่อยๆ่จของเราจะเปลี่ยนแปลงทุกวันนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คอยดูเรื่อยๆ